บัล ล, ล, ยย ล, ล, ลววทุ ม, มัล قلب الرسول والمؤمنون ل ى ه ل ه م ب د ا و ز ي ن ذلك في قلوبكم وظننت ظن السوء و م قوم ب و ر ا หาไม่ได้พวกเจ้าคิดว่ารัศดุและบรรดาผู้ศรัทธาจะไม่กลับไปยังครอบครัวของพวกเขาเปน็นอันขา และนั่นได้ถูกทำให้เป็นที่เพลิดเพร้วในจิตใจของพวกเจ้าและพวกเจ้าได้คิดร้ายและพวกเจ้าเป็นกลุ่มชนที่ชั่วช้ายิง่งและถ้าบุไดไม่ได้ศรัทธาต่อล l l a และร a s ูลของพรุง ถ้าจริงเราได้เตรียมไฟลุกโชดช่วงไว้สำหรับผู้ปฏิเสธศรัทธาแล้วแรมหน้าเด็ดขาดเถ็ดบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นเป็นของอัลลอฮ์พระองค์จะทรงอภัยแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์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 พระองค์จะทรงให้เขา้าเข้าสวนสวรรค์อันหลากหลายซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างส่วนผู้ใดผิดหลังออกพระองค์ก็จะทรงลงโทษเขาอย่างเจ็บปวด <S <S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 ز ز และทรัพย์เฉลยอันมากมายที่พวกเขาจะได้รับและปรากฏว่าอัลลอฮนั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปริชายา الل ل ل و َعَدَكُمُ اللَّهُمَ غَانِمَ كَثِيرَةً تَأْقُذُونَهَا فَعَجْجَلَ لَكُمْ هَادِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا อันลَّได้สงสัญญาค์แก่พวกเจ้าซึ่งสับทะเลยอันมาก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 และทรัพย์สินเฉลยอื่นๆอีกที่พวกเจ้าไม่มีกำลังที่จะเอาชนะมันได้แต่เราทรงล้อมพวกมันไว้แล้วคืออาณาจาักรเปอร์เซียและโรมันตะวันออกและรรบคือผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง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 และพวกเขาจะไม่พบผู้คุ้มครองและผู้ช่วยเหลือใดๆนั่นคือแนวทางขอรอแกบรดาผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแต่การกอดและเจ้าจะไม่พบการเปลี่ยนแปลงใดๆในแนวทางขอรอ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 พวกเขาคือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและปิดกั้น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 و و ขนาดที่พวกปฏิเสธศรัทธาได้ทำให้ความหยิ่งยะโสมีขึ้นในจิตใจของพวกเขา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 لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلم و ا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا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 พระองค์ือผู้ทรงส่งรศูลของพรง์มาพร้อมด้วยทางนำที่ถูกต้องและศาสนาที่แท้จริงเพื่อพรองจะส่งให้ศาสนาของพรง์นั้นประจักเหนือศาสนาอื่นทั้งมวลและพอเพียงแล้ว ที่ลอส่งเป็นพย า, ยานว่ามุฮัมมัดเป็นาศาสนาทูตของพระองค์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 หรือกิ่งก้านของมันออกมาแล้วทำให้มันงอกงามแล้วมันก็เติบโตแข็งแรงและทรงตัวอยู่ได้บนลาต้นของมันนำความปลื้มปิติมาให้แก่ผู้วาดเพื่อที่พระองค์จะสร้างความโกรธแค้นให้แก่พวกปฏิเสธศรัทธาเพราะพวกเขาลิมและอลลทรงสัญญาแก่บรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดี ในหมู่พวกเขาว่าจะได้รับการอภัยโทษและรางวัลอันใหญ่ห